ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระงมงทรงบรรันดาลให้มีขึ้ น, น, นและความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันปกคนนาาลุมและจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปเมเงื่อ น, นอและจากความชั่วร้ายของความอิจฉา